วันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่สามสิบเดือนกันยายนพศสอพัห้าร้อยห้าสิบแปดธรรมะชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติกระพูดไปเรื่อยืเรื่องการเจริญสติ เพราะว่าบางนี้ก็มียติธรรมมาถามข้อค้องใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติก็ได้ดตอบไปอย่างมีรายนี้รายนี้ก็ถามว่าการเจริญสติเนี่ยเราจำเป็นไหมต้องทําในรูปแบบมากๆ ทำไมต้องทำในรูปแบบมากๆก็วันทัน้งวันเนี่ยเราทำนอกรูปแบบทำไม่ต่อนเนื่องกันไปเลยไม่ดีหรืองั้นก็ได้ตอบเขาไปคร่าวๆตอบไม่ละเอียดนักก็บอกเขาว่าการทำในรูปแบบในเรื่องการเจริญสติเนี่ยมีประโยชน์มาก เพราะว่ามันทำให้จิตใจเราเนี่ยมันมีกําลังแล้วก็ไม่หลงง่ายนะมีที่ตั้งนะไม่หลงอารมณ์ได้ง่ายแล้วก็ไวที่จะรู้ทานอารมณ์และสำคัญก็คือมันรู้นะรู้จังหวะในการที่จะ ท่านอารมณ์ตัวมีความจำเป็นมากที่จะเป็นต้องใช้รูปแบบให้มากๆเหมือนการเล่นบาสเกตบอลแล้วก็ต้องฝึกนก่อนจะแข่งขันเนี่ยต้องฝึกในรูปแบบการเลี้ยงลูกการยิงประตูมันจะได้มีจังหวะในการยิงประตูแล้วก็มีกําลังพอ ที่จะเล่นบาสเกตบอลได้มันมีความจำเป็นและก็สำคัญมากที่นักปฏิบัติทุกคนจะต้องฝึกในรูปแบบนะเพื่อความไม่ประมาทนะแล้วก็เป็นคนที่ฝักฝ่ในธรรมะอยู่เสมอทีนี้อากว่า เราไม่ได้ฝึกในรูปแบบเนี่ยเวลาเราไปใช้ในชีวิตประจําวันเ ใ, ในนอกรูปแบบเนี่ยสติเราจะมาไม่ทันอารมณ์เวลาความพอใจความไม่พอใจอิเลสโลภโกรดหลง ม, มาสู่จิตใจเราแล้วเนี่ยสติมันมาไม่ทนันมันย่ํายีจิตใจให้เป็นทุกข์ซะแล้ว และสติมันมาเกิดที่หลังมันไม่ทันซึ่งในชีวิตประจวันเนี่ยก็จำเป็นมากในการที่จะอาศัยรูปแบบเอาไปใช้กับการดำเนินชีวิตไอ้ประการนั้นคือการใช้ในชีวิตประจวันเนี่ยม่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ป้องกันอะไรไว้ก่อน เวลาอารมณ์จะเข้ามาสู่จิตใจเนี่ยมันเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าในรูปแบบเราทำไม่มากไม่ดีเพียงพอเนี่ยมันก็จะหลงไปกับอารมณ์มันจะลืมเนื้อเิ่ ม, ม, มทัวไปเลยมันจึงจำเป็นมากที่จะต้องการปฏิบัติในรูปแบบให้มากมากการที่เราจะเล่นบาสเกตบอล ให้ชำนาญให้ค่องแค่ว่องไหวถ้าเราไม่ฝึกในรูปแบบนี้เราจะไม่มีกำลังที่จะลงไปแข่งขันเขาได้และความแม่นยำในการยิงลูกบอลในการเลี้ยงลูกบอล